ผู้บอกข่าวได้ร้อหนึ่งผู้พบเห็นได้พันหนึ่งพระองค์ต้องจ่ายหนึ่พกับ100 <ช>จ่ายม 1, าเลยพ100นึ่งั้นคือ <c oughs> อธิบายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์รับสั่งว่าเราจะให้ทรัพย์แก่ผู้ที่ได้ยินข่าวนั้นแล้วมาบอกแก่เราขอพระองค์จงพระราชท า, านทรัพย์นั้นแก่ข้าพระองค์ทีเดียวอันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าจะให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ผู้ที่พบเห็นแล้วกลับมาบอกขอพระองค์จงพระราชท า, านทรัพย์แม้นั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยจะเอาทั้ง หนึ่เลยนะจะไม่เอาแค่พันเดียวอะ่ะหรือไม่เอาแค่ร้อยเดียวแนละ้วเอาหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าได้ข่าวก็ได้ข่าวพบมาก็พบทั้นจะต้องได้หมดข่าพระองค์พบเห็นสหายที่รักของพระองค์แล้วก็ได้กราบทูลพระองค์ว่าบัตรนี้ข่าพระองค์ได้พบเห็นโซนกะผู้นี้แล้วโซนกะพระราชาฟังแล้วก็ถามว่าโซนกะกุมาร น, นั้นอยู่ในชนบทแวดแคว้ น, วนหรือนิคมไหน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 เมื่อสั์โลกถูกไฟสิบอดกองเผาเนี่ยนะไฟคือชาติชารามรณะเป็นต้นเผาอยู่ท่านดับไฟเหล่านี้เสร็จแล้วเพ่งชาญคือเพ่งเพ่งทั้งลักคนูปนิชชาญอารัมมนูปนิชชาญอยู่ที่โคนต้นรังเหล่านั้นครั้งนั้นแหลพระราชาก็ตรัสรับสั่งให้ทำทางให้เรียบอาราบเรียบก็เสด็จไปยังที่อยู่ของพระโสนกะพร้อมด้วยจตุรงคเซนาเสด็จประาพาสไปในไทวันเนี่ยนะก็เสด็จไปถึงภูมิภาคแห่งอุทยาน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 เพื่อนเรานี่เปนกัมพาขนาดนี้เลยนะสีสะก็โลน่นครองผ้าสังคาติไม่มีพ่อไม่มีแม่นั่งเข้าชาญอยู่ที่โคนต้นไม้กัมพาจริงเนาะไม่มีพ่อมีแม่ผ้ากับผ้าย้อมน้าฝาดศีษะก็โลน่นในต่างหากเนี่ยนะพระโสนะพระโสนกะปัดเจกได้ฟังพระดํารัสนั้นแล้วก็ได้ทูลว่าดูก่อนมหาบาพิษบุคคลผู้ถูกต้องธรรมะคืออริยสัจหรือพระนิพพานด้วยนามกาย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 การอยู่เป็นสุขย่อมมีแก่ท่านผู้มีอยู่ในที่นี้หรือข้าพเจ้านี้ชื่อว่าอรินธรรมะนะเป็นใครๆก็เรียกว่าพระเจ้าพ ร, พระเจ้าคือพระราชานะพระเจ้ากาสีเป็นใหญ่ทั้งหมดในแว่นแคว้นนี้ทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นนะนะประกาศตัวเองเบ็ดเสร็จเสร็จแล้วก็บอกว่าให้รู้จักใครเป็นใครกันหะน่บอกแบบก็บอกว่าเออท่านอยู่สบายบ้างไหมเหมือ น, นความไม่สบายสักหน่อยหนึ่งไม่มีแก่ข้าพเจ้าก่อน แต่ว่าความอยู่เย็นเป็นสุขนี่มีแก่พระคุณเจ้าผู้มาถึงในที่นี้อยู่ในอุทยานสบายเลหรือเหมือ น, นันคือตัวเองก็เป็นใหญ่นะเป็นพระราชานี่อยู่เป็นสุขแล้วท่านอยู่สบายไหมมาอยู่ที่นั่งโคนไม้อยู่อย่างนี้พระประเจกับพะพุทธเจ้าก็ตอบพระราชาว่าขอถวายพระพรชื่อว่าความไม่สาราญไม่มีแก่อัตมาภาพผู้อยู่ในอุทยานนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้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 ข้อที่ห้าความเจริญย่อมมีแก่พิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือเมื่อไฟไหม้พระนครอยู่อะไรอะไรสักหน่อยหนึ่งของพิสูจนนั้นย่อมไม่ไหม้ไฟไหม้บ้านไหม้เมืองแค่ไหนพิสูุก็ไม่มีของอะไรไปไหม้ใช่ไหมข้อที่หความเจริญย่อมมีแก่พิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือเมื่อโจรปล้นแววนแคว้นอะไรสักหน่อยหนึ่งของพิสูจนนั้นก็ไม่หาย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 ทิศนั้น น, นเนี่ยนะอ้สบายหมดเลยว่างั้นสรวัตสันเสริญความเป็นภิกษุที่จริงก็เนี่ยท่านเทศแล้วนะท่านเทศว่าผู้ที่อยู่ด้วยความสันโดษไม่มีปัจจัยแบบ ท, ทั่วไปเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติตามธรรมอยู่พักสุขเสมอจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขอย่างนี้เลยพระโสนกะปัจเจกับพระพุทธเจ้าแสดงความเจริญแห่งสมณะแปดอย่างด้วยประการชนีแต่ที่จริงแล้วท่านสามารถจะแสดงความเจริญแห่งสมมณะให้ยิ่งกว่านั้นได้ไม่ตั้งร้อยตั้งพันใน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 การทั้งหลายทั้งที่เป็นของที่ทั้งทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจากักข้าพเจ้าจักได้โลกทั้งสองได้อย่างไรคําถามง่ายๆว่ า, านะคือคือข้าพเจ้าไม่อยากเป็นแบบท่านหรอกอนะพระโพุทธศา์นาจริงอุปนิสัยสั่งสมมาแสนกลับแล้วไอ้มาเสียสงไข่แสนกลับแล้วท่านยังพูดอย่างนี้เลยท่านแล้วบอกว่า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 ทำบาปประกรรมแล้วย่อมเข้าถึงทุกขติโดยมากเมื่อมีใจหมกมุ่นมีใจติดข้องใช่ไหกามทั้งหลายเนี่ยสแสวงหากามโดยมากก็สแสวงหาด้วยทุจริตรักษาก็รักษ า, กกษากด้วยทุจริตเป็นต้นเมื่อทำบาปแล้วนั้นจะไปไหนกันงั้นก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาทซีส่วนชนเหล่าใดละกามทั้งหลายออกได้แล้วเป็นผู้ไม่มีภยัยแต่ที่ไหนไหนย่อมบรรลุถึงความที่จิตเป็นเอกคตา อันนะั้นก็บรรลุเอกะกาตาอุปจาระอัปนามกผลนั่นแหละนรชนเหล่านั้นไม่ไปสู่ทุกตินะไม่ไปอบายแล้วยงนะั้นดูก่อนพระเจ้าอรินธรรมะอาตมาภาพจักแสดงอุปมาถวายมหาบาพิษนะนะจะเดี๋ยวจะเล่าอุปมาให้ฟังขอมหาบาพิจงสดับข้ออุปมานั้นบัณดิตบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความได้ด้วยข้ออุปมาเล่ามาว่ามีอีกาอยู่ตัวหนึ่งองั้น เป็นสัตว์มีปัญญาน้ยไม่มีความคิดความอ่านมันก็เห็นซากช้างเนี่ยนะซากศพช้างลอยอยู่ที่ห่วงน้ำใหญ่ใกล้แม่น้ำคงคาอีกานั้นก็เลยคิดว่าเรานี้ได้ยานแล้วน้โอ้โหสบายได้ราชชรสมาเกยแล้วนะนะได้ยานอย่างดีเลยเนะี่ยเป็นช้างตัวใหญ่เบิมเนี่ยนะและซากศพช้างนี้ก็จะเป็นอาหารจำนวนไม่น้อยโอยานก็ใหญ่อาหารก็เต็มไปหมดเลย ใจของกาตัวนั้นก็ยินดีแล้วแต่ในซากศพช้างตัวนั้นแหละตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันเพลิดเพลินหมกมุ่นอ่ะนะยานก็ใหญ่อาหารก็เต็มพุงไปหมดแน่นะจะจิกไส้ก็ได้จะจิกตับก็ได้จะจิกตรงไหนก็ได้เหลือเฟือหมดกามตัวนิดเดียวยังไตับช้างใหญ่ขนาดไหนคิดดูจะกินตรงไหนก็สบายไปหมดเมื่อกาจิกกินเนื้อช้างเสร็จแล้วก็ดื่มน้ํามีรสเหมาะส่วนอ่ะนะก็กินเนื้อไปดื่มน้ําไปวู้สบายมาก เสร็จแล้วก็ไปเห็นต้นไม้อันใหญ่ในป่าก็ไม่ยอมบินจากซากช้างนะที่ที่มีแม่น้ําคงคามีปกติไหลไปสู่สมุทรปกติแม่น้ําคงคาเนี่ยนะไหลไปไหนก็ไปทะเลก็เลยพัด อ, อีกาตัวนั้นไปด้วยนะพัดไปไหนไปทะเลใช่ไหมอีกาตัวประมาทยินดีอยู่แต่ในซากศพช้างก็ลอยไปสู่มหาสมุทรด้วย